อาจารย์ครับการรับราชการครับผมจารย์อนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้จัดแต่งนอกสถานที่อีกแล้วครับวันนี้ผมผมมารับเสด็จในหลวงครับอาจารย์ครับอืมที่ในหลวงไปทอดกระถิ่นครับทําหน้าที่ครับอาจารย์เพิ่งเคยได้เห็นสุพรรณหงษ์ครั้งแรกครับอาจารย์เสด็จทางเรือครับ นานๆจ ะ, สะเสด็จทางเลนสักครัใช่ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเรื่องยอมหยุดเย็นครับพระอาจารย์ก่อนอื่นผมถามพระอาจารย์เมื่อเช้าใส่บาทคนเยอะไหมครับผมวันนี้ประมาณร้อยสามเจ็ดสิบสี่ามร้อยเจสิบสี่อ๋อเดี๋ย0สามรยกว่าว น, นี้น้อยหน่อยธรรมดาสี่ร้อยขึ้นช่วงนี้คนไปท่ากระถิ่นกันนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ครับวันนี้คนยิวเทฟก็เต็มเลยครับมาดูในหลวง ก, กันมาเฝ้าในหลวง ก, ก, กันครับครับอาจารย์ครับเพราะอาจารย์รชอบเทศเรื่องยอมหยุดเย็นผมผมอยากผมฟังแล้วผมก็นึกทุกทีผมก็เย็นทุกทีครับอาจารย์วันนี้ก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์ขยายความให้พวกเราได้ฟังด้วยครับกลบาวความในตาอาจารย์ครับคือเราไม่ยอมรับความจริงกันแล้วอยากจะฝืนความจริง เช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้เราไม่ยอมรับมันเวลาเกิดขึ้นมาเราก็เศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันถ้าเรายอมเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายเพราะเรว่าอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแาลความจริงอะไรความจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้น ความิจังความไม่เที่ยงของเสพสิ่งเท่าไรมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาแต่เราอยากจะให้พอมันเกิดแล้วอยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องการให้มันดับไม่ต้องการให้มันจากเราไปพอมันจางเราไปมันก็เลยทำให้เราเสียใจเพราะเราอยากไม่ให้มันจากไปไม่ยอมรับความจริงพยอมรั้ว่านี่คือสิ่งที่้่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมด า, าอรายอมารับความจริงใจเราก็จะหยุดหยุดความอยากเพราะรู้ว่าอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อหยุดความอยากได้ใจที่ทุกข์ร้อนก็เย็นกลับมาเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นน่างกายหรือเป็นอะไรก็ตามมันอยู่ในเป็นเรื่องเดียวกันนะ เราต้องยอมรับกฎขององนาของของตายรักเราต้องยอมรับกฎของตายราักทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับแล้วก็เฉยๆไปหยุดหยุดความอยากอยากไม่ให้มันเป็นตายรักอยากจะให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตานี่เป็นความหงของของของกิเลสที่จะหลอกใจเรา ให้เราอยากจะได้แต่สิ่งที่เป็นนิจจังสุขังอัตตานิจังก็คื อ, อย่งยืนถาวรสุขังก็ให้ความสุขเราไปตลอดอัตตาก็เป็นของเราที่เราสามารถให้ควบคุมบังคับสั่งการได้แต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามกันความเป็นจริงมันเป็นอ น, นิจจังทุกขงังอัตตามันเป็นของไม่ย่งยืนมันเป็นของที่จะทําให้เราทุกขเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันจางเราไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ให้จางออกไปไม่ได้ เพราะมันเป็นานตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรายังต้อยอมรับกฎตายแล้วแลื่องเกิดอะไรกเกิดขึ้นมาอาใจเราทุกข์แสดงว่าเราไม่ยอมรับกฎตายแล้วไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการสิ้นสุดหรือสูญเสียของสิ่งที่เรารักเราชอบไปสิ่งที่ให้ความสุขของเรานี่คืองมองยอมรับความจริง อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เทราชาไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆก็เป็นอยู่ภายใต้กฎตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาลาบยศสนเสริญศึกก็อยู่ภายใต้กฎตายรักเนีันนี้คุณหาไม่ยศเตรีมไว้เหรอดี๋ยวตายรักมัจะมาเยี่ยมแลครับ แต่เวลาสิ้นสุดเาลานะก็ต้องต้องยอมรับความจริงถ้ายามรับความจริงมันก็ไม่เสียใจมันแต่ถ้าไม่ยอมรับความจริงอยากจะให้มันอยู่ต่อมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ทุกข์ไปตลอดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวให้ยามรับความจริงอนี้เวลามันเกิดขึ้นจะได้ไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ด้วยความอยากให้มันอยู่ต่อไป เราหยุดหยุดความอยากอยากให้มันเป็นนิจจังสุขังอัตตาทั้งๆที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาเหมือนที่การพูดอยื่นเลยว่าอย่าไปเปลี่ยนส้อมให้เป็นกล้วยเปลี่ยนไม่ได้ส้อมก็ต้องเป็นส้อมกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยคนเขาเป็นอย่างนี้เราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างมันก็เปลี่ยนไม่ได้ยอมรับเขาเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ดีกับเราเขายอมรับเขาเป็นคนแบบนี้เขาไม่ดีกับเราเขาปล่อยเขาไม่ดีกับเราไป เราก็หยุดหยุดความอยากให้เขาดีกับเราพอเราหยุดความอยากให้เขาดีกับเราได้แล้วเขไม่ทุกเวลาเขาไม่ดีกับเราเห็นสรุปก็คือต้องยอมรับตายรักวอนิจจังทุกขังอนัตตาที่อากาศขึ้นกับเราแทบทุกวันนะประมาณก็เริ่มเล็กๆน้อยๆเราก็พอจะทำใจได้แต่พอเป็นเรื่องใหญ่หน่อยของที่มันเรารักเราห่วงมากหน่อยมันก็ทำใจยากหน่อย ก็สรุปมันลงที่หยุดก็คือทำใจเนี่ยทำใจเฉยๆอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันแล้วใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายต้องฝึกสติมากๆนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิต น, นิ่งสงบเป็นอเวคาแล้วม่นจะทำใจได้จะยอมหยุดเย็นได้ ผมเองก็เตรียมใจไว้ทุกวันครับอาจารย์๋ย่าให้อาจารย์อสอนครับลงเมื่อไหร่ก็ได้ครับเราก็ต้องจไม่ใช่จ้ะแต่เฉพาะตําแหน่งนีน้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่อะไรจะเกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้รให้เราเตือนสอนใจเรียกว่าเรามาตัวเปล่าๆเดีวเราก็ไปตัวเปล่าๆ อ, <ะ> อ, <ะ>อะไรติดตัวไปไม่ได้เลย อันนี้มันจะทำให้เราเตรียมพร้อมเตรียมใจว่าเดี๋ยวก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทอย่างที่เรามีอยู่ไปอยู่ดีตอนเดี๋ยวต้องเจอถูกไฟบังคับบังคับไ่ทิ้งจะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งถ้ายอมก็ไม่ทุกถ้าไม่ยอมก็จะทุกครับกลับมาุณมนอาจารย์ครับในช่วงที่มีอยู่ก็ พยายามทําให้ดีที่สุดแหละครับอาจารย์ถ้าทัาท<ำ>้งหมดทํำหุนทำประโยชน์ไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรค์มสังคมทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องยอมเหมือนกันยอมแล้วว่าทาไม่ได้ทําได้แค่นี้เพราะเราไม่เป็นคนคนเดียวที่สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตัวเราเองเราก็บ้างมีการร่วมมือกับผู้อื่นแต่ถ้าผู้อื่นเขาไม่ร่วมมือด้วยก็ทําไม่ได้ <S <S 2> <S 2> ตอนนี้ยังโหวดแพ้ทุกทีครับอาจารย์แต่ยอมครับอาจารย์ยอมยอมแพ้แล้วก็เย็นเย็นจะสบายใช่ครับอาจารย์ก็เลยอยู่ได้อย่างมีความสุขครับดีแล้วสาธุแพ้แพ้สักครั้งฝอยชนะสักครั้งใหดีผมชนะครับงเราจะมันมีความสุขใจ ท้ากิเลสหลายครั้งนี้ขอให้มันชนะกิเลสสักครั้งหนึ่งสุขใจสบายจะพยายามต่อไปครับอาจารย์ครับกขอบพระคุณอาจารย์ครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจะบอกเพื่อนๆทางติ๊ t ต็อกว่าเริ่มส่งคําถามก็มาได้แล้วนะครับใช่นะครับเป็นเสียงของพระอาจารย์สุชาตินะครับคุณแว่นครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนวิธีปฏิบัติในการรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโลจเจริญมาให้เข้าใจด้วยครับ เราต้องถ้าจะรู้ความจริงต้องรให้มันเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก่อนเช่นภรรยาเราหนีไปไม่อยู่ไมีอยู่กับเราเนี่กิดความทุกข์ใจไหมถ้าเกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องปัหาสาเหตุของความทุกข์ใจสาเหตุไม่ใช่อยู่ที่การจากไปของภรรยาเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่อยากให้เขาจากเราไปอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปพอเราอยากใหเขาอยู่ต่อไปเขาไม่เขาไม่มาเขาไม่มาอยู่กับเราเราก็ทุกข์ใจ นี่เป็นสมุทัยความอยากที่ทําให้ใจเราทุกข์เพราะเราสูญเสียพนันธะญาของเราไปแต่เราไม่อยากให้เขาไปมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราพิดิกับว่าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเรืเ่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วก็หายทุกข์ทันทีสมุทยัยม่โลกก็เกิดขึ้นสันนี้ถ้าเราละสมุทยัยละความอยากให้เขาไม่จางออกไปได้ยอมรับความจริงว่าเข้าไปแล้วจะทําทยัางไงน้องผมน้องให้ จะทําอะไรเขาก็ไปกลับมาแล้วเขาไปแล้วให้มองความจริงยอมรับความจริงคือการจากไปของภรรยาเราแล้วไม่รอดก็คือความความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาดับเพราะมากมากเพราะเพราะมีปัญญามองเห็นความจริงมองเห็นไตรลักษณ์มองเห็นว่าภรรยาเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่กันวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะจากเราไปก็ได้แล้วพอเกิดจากเราไปจริงๆเราก็จะทุกข์ขึ้นมา เขาแสดงว่าเราอยากแม่ยางไม่ให้เขาจากเราไปไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าเขาไปแล้วพอยอมรับความจริงได้ใจก็หายทุกข์อย่าต้องเจอของจริงถึงเนี้ยถึงเนีรู้ชัดเจ้งถ้าเรามาพูดทางทฤษฎีตอนนี้เราพูดถึงทุกข์เราไม่รู้หมายความว่ามันทุกข์ทุกนี้หมายถึงอะไรเราไม่รู้ทุกข์นี้คือความทุกข์ใจความเสียใจความไม่สบายใจ ไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางร่างกายมันก็เป็นเป็นตัวที่ทาให้เกิดความทุกข์ทางใจได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์ทุกข์ใจเมื่อราไม่อยากให้มันเจ็บเราอยากจะให้มันหายพอมันไม่หายเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องมองความจริงว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรมันไม่หายเราจะไปทําให้มันหายได้หรือเปล่าทําไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันไปยอมหยุดเย็น มเมนกราบเรียนถามพระอาจารย์เห็นมีคนนําซองปัจจัยไปใส่บาตรพระตอนเช้าไม่ทราบว่าถูกหรือผิดครับคือตามพระวินัยมันผิดนะเพราะว่าตําหนักเราต้องทาให้กับลูกศิษย์เป็นผู้ถือให้แตบาบงคนบางกรณีก็ขอยกเว้นไว้เป็นเพื่อเป็นกรณีฉุกเฉินนู่นเป็นกรณีว่าไม่มีใครแล้วคนก็บางทีเขาใส่โดยที่เขาไม่บอกเรา รุ่งน้าเขาใส่ไปแล้วใสไปแล้วก็แล้วไปอไปนี่เงินเวลาอย่าไ ป, ไปเป็นเงินเป็ลาวข้อสาคัญมันไม่อยู่ที่การรับว่ารับอย่างไรแล้วมันอยู่ที่การไปใช้อย่างไรมากกว่าความจริงปัจจัยเขาถวายให้ไปใช้กับปจัจจัยสี่เครื่องที่เหมาะกับสมณ บ, บุริโภคก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่ว่าสายยารักษาโรคไม่ได้ให้ไปซื้อของไปชอปปิ้งตาม ชอบช้อปปี้หรือตามชอบอะไ ร, ะไรต่างๆไปตามโนทัดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ให้ให้ให้ไปใช้แบบนั้นเรื่อแบบตอนนี้มีข่าวว่าเป็นลงทุนเทรดหุ้นด้วยอะไร <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้ให้ใช้แบบนั้นให้มันใช้เพื่อมาสนับสนุนสัมมนาเพศการอยู่ครองของสัมมนาเพศซึ่งบางครั้งอาจจะเจ็บไายได้ป่วยไม่มีไม่มียาไม่มีการซื้อยามารักษาอย่างนี้ก็ เ, เงินนี้ไปซื้อยารักษาโน้ บางทีจีวรขาดไม่มีคนถวายก็ไปซื้อจีวรมาใส่รางวัลบุญบาตไม่ได้อาหารกาั็ให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารมาให้อย่างนี้ไ mm hmm. ม้อ่งานที่กขาถวายนี่เป็นสัมณนาบริโภคเพื่อสัมณนาบริโภคคือการบริโภคของสัมณนาก็คือปัจจัยสี่ของสัมณนาเองและไม่เช่นนั้นก็ไปทําคุณมลำประโยชน์ต่อสังคมต่อ ทำบุญให้กับวัดไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปนะช่วยทำนุบำรุงปรณุณณะปฏิสังขรณ์ท้าวอรรมัตถุต่างๆที่มีในวัดถ้าใช้แบบนี้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่เราไปหลงติดอยู่ที่ประเด็นรับกันไม่แม้บูญที่ประเด็นใช้กันนะบางทีสมัยนี้มันบางทีคนไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จะถวายอย่างไรบางทีเขาก็บางคนก็บอกถวายได้บางคนก็ถวายไม่ได้มันก็เลยสับสนกัน ก็ต้องขอยกเป็นกรณีแค่ว่ามันถ้าเขาไม่รู้ก็ปล่อยก็าทำไปถ้าบอกเ็าได้ก็บอกเข้าไปคุณสมพลครับอยากจะฟังเรื่องอบายามุกสีอ่อย่างละเอียดโดยเฉพาะสองข้อหลังไม่เข้าใจครับมจงมีห้าเนี่ยข้อแรกก็คือดื่มสุรา ย, ยาเมาข้อสก็คือเรื่อนการานัน เพราสารก็เที่ยวทเที่ยวแต่ไม่ทํางานทําการชอบเที่ยวชอบเล่นเนี่ยข้อสี่ก็คือมีสี่ข้อไม่ใช่หข้อข้อสี่ก็คือการไม่คบคนคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเอ่าข้อที่ห้าอีข้อหนึ่งคือความเกลียดคร้านเพราะอบายามุขไ ม, ม่หมายถึงเป็ น, ปนการการะทําที่ไม่เกิดไรายได้ไมีแต่รายจ่ายเราเกิดการเสียหาย ทางด้านจิตใจด้วยถ้าเหนึ่งสุรายามเมาเสียเงยินเสียทองแล้วยังต้องเสียงสติไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้การกระทําของเราได้การพูดของเราได้เวลาเหนี่ยมของมันวางเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นคนคนที่เรียบร้อยสภาพกลายเป็นคนหยาบคายไปก็มีเดัง น, นั้นท่าห้ามถ้าอยากจะรักษาวความเป็นปกติความเป็นผู้สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีไว้ ไม่ไปทาําไม่ไปเบียดเบียนไม่ไางความเสียหาแก่ผู้ก็อย่าเดือดนสงายามาส่วนการเที่ยวกลางคืนก็เล่นการพนันก็เหมือนกันเล่นไปเล่นมาเนี่ยพว่าต้องเสียเวลาได้มาก็อยากจะเล่นต่อเมื่อเสียก็ไม่ยอมเลิกต้องเอาคืนเล่นไปเล่นมาเงินก็หมดต้องไปขายทรัพย์สินขายข้าวของเงินทอ ง, งต่างๆมาเล่นต่อต่อไปก็ขายบ้าน ไปก็ขายที่ดินเพราะว่าไฟจะขบวยขึ้นบ้านมันยาวเพีงดาแค่ทรัพย์สินไปบ้านมันยาวไปไม่ได้ที่ดินมันยาวไปไม่ได้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้มันก็เอาไหม้แต่ทรัพย์สินกับกับบ้านแต่มันไม่เอาที่ดินไปยังมีที่ดินอยู่แต่พันธุ์นีการเล่นการพันธุ์นี้มันเอาไปหมดเลยังอันตรายต่อการสูญเสียทรัพย์สินชุมชน การเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอเที่ยวเือนไม่พอใช้ก็จะไปลักขโมยไปชอบโกงแล้กความเกียดข้าก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำงานไม่ชอบทำงานชอบเที่ยวคนขี้เกียจแล้วก็ส่วนมากจะไม่มีรายได้เงินมีก็มีน้อยขี้เกียจทำงานบางคนทางานเขาได้เงินแล้วหยุดหยุดงานแล้วกกินเหล้าหมด พอเงินหมดเราให้กลับมาทํางานต่ อ, อา ง, งานก่อสร้างจะเป็นอย่างนี้กันความเกลียดข้านแล้วข้อที่ห้าก็คือไม่ให้ ค, คนที่ชอบอับอาามุกเป็นเม็ดถ้าเขาชอบเดือดสุราเขาก็จะชวนเราไปเดือดสุราถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็ชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบชเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบความเกียดข้านเขาก็าชวนให้เราเกียดข้านไปกับเขาด้วย เห็นนคแบบบี้รเพราะจะเด้ง ม, มาไปสู่ที่ต่ําไม่ได้โน้มมาเอาไปสู่ที่ที่เจริญแต่อย่างใดพอละเอียดพอไหมไม่ทราบละเอียดใดครับอาจารย์ครับเข้าใจครับคนที่เจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่บ่อยๆตั้งแต่ที่ดูแลตัวเองดีอันนี้มันเกิดจากโรค ก, กรรมโรคเวรไหมครับมันก็มีหลายสาเหตุนะเชื่อม อาจจะมีเรื่องของกรรมเป็นกรรมมีมีมาส่วนหนึ่งด้วยแต่มันอาจจะมีเรื่องอื่น้างหลักานคุณหมอดูโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายมันมีหลายสาเหตุในกรรมพันธุ์ก็มีอากาศที่เราสูดเข้าไปก็มีเครื่องเหลื่องที่หราดื่งเข้าไปก็เป็นได้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็มีส่วนที่ทําให้ร่างกายเราเจ็บไข้ไม่ป่วยขึ้นมาได้เพราะฉันมีหลายสาเหตุดนวกันที่เราไม่สามารถจะ สนุปว่าเป็นเรื่องของเรื่องของบาปเพียงอย่างเดียวเป็นกรรมอย่างเดียวคุณดำครับเห็นหน้าคนที่เราไม่ชอบแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจวันไหนที่คนที่เราไม่ชอบไม่มาทำงานจิตใจก็รู้สึกสบายใจควรทำอย่างไรให้จิตยอมรับความจริงได้เมื่อเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วไม่เกิดอารมณ์ไม่สบายใจครับก็ต้องมองมองให้มองเข้ า, jeder, า<ๆ>เหมือนเขาเป็นยินซ่ากาศเลย เหาอากาศเราไม่ชอบครับน้องเราก็ต้องอยู่กับมันเวลามาันมาเราก็อยู่กับมันได้ถึงว่าเราไม่ชอบฝนตกนงที่เราก็ไม่ชอบเพราะมันเฉยแฉะมันมันยากลำบากแต่เราก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วก็ไม่มีอาการรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเหมือนถูกไฟบังคับบังคับจะต้องเจอก็เจอไปเจอใครที่เราไม่ชอบมาทําใจเฉยเฉไป ถ้านนเง่งถ้าทำใจเฉยไม่ได้ก็ทบริกรรมพูโทโธพุโทโธไปเขาอยู่พุโทโธพุโทโธไปสัมภัคเดี๋ยวมันก็จะเฉยได้เวลาใส่บาตรเรานั่งรับพรตรวจน้ำมีคนมาเห็นเขาบอกว่าให้ยืนรับพรพระเพราะจะอาบัติพระจะอาบัติจริงไหมครับอันนี้มันอาจจะเป็นกฎของสมัยพุทธกาลก็อาจจะมีการถือว่าถ้าพระยืน ยืนพูดคนฟังก็ต้องยืนฟังถ้านั่งฟังมาหาว่าไม่ไม่ไม่ให้ความเคารพเท่านั้นเองถ้าพระนั่งโยมคนฟังก็ต้องนั่งถ้าพระยืนพูดคนยืนแต่ละทำนองของคุญไทยก็บมันตรงกันข้ามถ้าพระยืนเราต้องนั่งใช่ไหมให้ความเคารพยืนถ้าเรามองตาม ก, กฎสมัยปัจจุบันนี้มันไม่ผิดหรอกเพราะว่าญ า, า, าติโยมไม่ฟัเคารพต่อพระยืนยืนคุยกันนะกับไม่ไม่ถือว่าไม่เคารพ ชาวคนไทยเรานี้เวลาเราผู้อยากผู้หลับผู้ใหญ่คุยกับเรานี่บางทีเราต้องไม่อยู่ที่สูงกว่าท่านเรา อ, อยู่ที่ต่ำกว่าท่า น, นแสดงความเคารพนี่เป็นเรื่องของปิดย่อยไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเลยไปอาบัติมันมีตั้งแต่อาบัติที่เพียรเล็กน้อยไปถึงปารารชิกถ้ามันไม่ใช่ปาราชิกก็มไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากปล่อยไปเถอคุณเยวาวภาครับ ถ้าเพื่อนฝากเงินเราไว้แล้วเขาเสียชีวิตเราเอาเงินทําบุญให้เขาหมดเขาได้รับบุญกุศลบุญที่เราอุทิศไปให้ไหมครับขึ้นอยู่ ว, ว่าเขาสั่งไว้หรือเปล่าถ้าเขาสั่งว่าถ้าเราตายไปช่วยเอาเงินที่เราฝากไว้ทําบุญให้เราด้วยแต่ความจริงมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราทําจริงหรือเปล่าเพราะฉะ้นเวลาเขาตายเวลาเนี้ยเขาไม่มีสิทธิ์ในเงินทองของเขาแล้ว ใครยัไปทําอะไรเลยทําให้เขาหรืไม่ทําให้เขาเขาก็ไม่ได้บุญได้ก็แค่บุญที่อุทิศไปแต่บุญหลักที่ได้จากการให้นี้ไม่ได้เกิดที่เขาแล้วเขาไม่ได้รับบุญนะั้นเขาได้รับบุญอุทิศซึ่งเป็นเซี่ยวหนึ่งของบุญที่ที่ที่ทำตามเรียนถามพระอาจารย์ครับมีปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าเราไม่ได้ผิดแต่อยากให้ผ่านด้วยดี ใช้ธรรมะข้อไหนครับรยอมอยุดเย็ยนเนี่ยก็ยอมแต่บอกก็ไม่ผิดแต่ยอมรับผิดชอบอว่าถ้าคุณเสียหายจากสินค้าที่เราขายก็ยอมรับคืนเร่ออะไรว่าไปแต่เราไม่ผิดเราก็บอกเขาไม่ผิดแต่เพื่อให้เขาสบายใจ ถ, ถ้าเราต้องชดใช้อะไรเข้าไปก็ยอมชดใช้ไป คุณวิสาครับจิตคนเราที่เกิดในแต่ละชาติเป็นจิตดวงเดิมหรือไม่ครับดวงเดิมวิสัยใจคอที่อยู่ในจิตก็อันเดิมชอบเล่นจีฬาก็ยังชอบเล่นกีฬ า, าอยู่ชอบเป็นผู้หญิงไม่ได้มาเกิดเป็นผู้หญิงชอบเป็นผู้ชายก็ยังมาเกิดเป็นผู้ชายอยู่ที่ความชอบไม่ไม่ชอบคนที่ทําบาปใหญ่กับประเทศ ถ้าไม่ได้รับกรรมในชาตินี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อตายไปแล้วไหมครับอย เ, เ, เรื่องกรรมนี่พระเจ้าบอกมันอาชินตายเนี่ยไปให้รู้แบบรวมๆม็แล้วว่าทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีทําดีก็จิตใจก็จะสูงขึ้นเป็นมาจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเป็นอะไรถ้าทำชั่วก็จะจิตใจก็จะต่ําลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นต้น คุณแอนครับวันนี้ขับรถไปฟังธรรมใช้เวลาระหว่างขับรถสี่ชั่วโมงไปกับ l l e เล e ตัวเองด้วยการท่องพุทธโทให้ได้มากที่สุดตลอดทางพอจิตจะฟุ้งหรือต่อว่ารถคันหน้าก็ต้องพุทธโทแทนวันนี้ถือว่าโมโหใส่รถคันอื่นน้อยมากครับในงานนะครับอ่าสติก็ช่วยได้ัตช่วยช่วยควบคุมอารมณ์ช่วยควยบคุมความคิดชนอนได้ ใจิตใจไม่สงบความคิดวาวุ่นตั้งสติไม่ได้เลยครับทำอย่างไรดีครับก็ยัางต้องทำแบบคุณแอนเนี่ยพยายามทำคุณโทรไปเรื่อยๆต้องไปทั้งวันคุณตรครับมีคุณพ่อเพื่อนอายุ80เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายคุณหมอบอกไม่มีทางรักษาแล้วและยังเป็นอีกหลายโรคคุณหมอให้คำแนะนำให้ใช้มอรฟีนไปเป็นระยะครับ ถ้าใช้เพื่อระคาบความปวดก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนมีการรักษาแต่ถ้าใช้ก็ื่ทําให้ให้ตายนี่ถือว่าเป็นการฆ่าทําไม่ได้ไม่ควรทําการที่เราถวายยารักษาโรคจะช่วยในเรื่องที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่มีสาเหตุได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของจับแพ้มาชนแกกัน น้อที่ไม่ิีสาเหตุของเราจะมีสายเหตุอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปไปวิจัยได้การที่เราไปให้ยารักษาโรคคนนั้นคนนี้นมันไม่มาเกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันแต่อย่างใดกับการที่เราโรคภัยแค่เจ็บของเราคุณนารยาครับหากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเราจะกําหนดจิตอย่างไงระหว่างที่กําลังจะหมดลมครับ เราต้องฝึกไว้ก่อนนถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนเราก็ยากําหนดไม่ได้กาหนดถ้าเราฝึกสติพอเวลาเราจะตายก็พุโทโธพุโทโธไปจิตก็นึ่ถ้าฝึกปัญญาก็พิจารณาว่าร่างกายเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋เวลามันจะตายก็ ต, กต้องปล่อยให้มันตายมันต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่มันนั่งนั่งทําตอนที่จะตายมันทําไม่ทันเหมือนนั่งมวยฮะนักมวยก่อนจะขึ้นมาชคบนเวทีนี้ต้องซ้อมไว้ก่อน จะซ้อมกับสู้กับต่อสู้กับคู่ต่อสู้อย่างไรดีจะใช้หมัดดีก็จะใช้จะใช้แท่งดีก็ซ้อมไปเพื่อพาอเวลาขึ้นไปบนเวทีจะได้สามารถใช้อาวุธที่เราฝึกฝนได้ถ้าเราไม่ซ้อมอะไรมันขึ้นไปก็เป็นไก่ตาแตกงงไม่รู้จะทำอะไรก็โดน็นนอกทันดีการอุทิศส่วนกวุศลให้กับใครได้บ้างครับ กระเปดจุดอย่างเดียวนะบุญของวิญญาณที่เป็นเปรดเพราะเขามีความหิวโหยในในบุญเขาไม่ได้ทําบุญมาไหนกระที่เขามีชีวิตอยู่พอเขาตายไปเขาจะไม่มีบุญช่วยส่งให้เขาไปสวรรค์ให้เขามีความสุขเราก็สามารถสมบุญนี้ไปให้เขาได้ให้เขามีความสุขบ้างคุณปรางครับ การทที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเกี่ยวกับการถือดีของผู้ฝึกหัดปฏิบัติแก้ไขโดวยวิธีใดครับก็การถือดีก็เหมือนกับการถือตอนอถือว่าเราดีกว่าเขาอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึง่งเราต้องพิจารณาว่าไม่มีเราไม่มีตัวตนมีแต่การกระทําที่ดีหรืไม่ดีเท่านเองไม่ดีก็รู้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ดีดีก็รู้ว่าเป็นการกระทําที่ดีไม่มีผู้กระทา มันจะได้เี็นกาม ร, รู้สึกเศร้าหมองเห็นว่ามันเป็นการกระทำท่านเองถ้ายังฝันถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอยู่แปลว่าท่านยังไม่ได้ไปเกิดใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกเราคิดถึงท่านมากกว่าอตอนนี้เราไม่สามารถไปกำหนดได้ว่าท่านจะไปเกิดหรืยอยังมันไม่มีอานาจขนาดนั้นนะ ถึงที่จไปมีอำนาจให้ไปเกิดเมืม่อไหร่นี่ก็อยู่ที่บุญบาปที่ทำไว้คุณแต้มสีครับทำไมนิสัยสันดานของเราทั้งที่ดีและไม่ดีติดไปชาติหน้าด้วยครับแม้ช่วงที่เราไม่ได้เกิดอาจเป็นสิบปีหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีแต่นิสัยเดิมก็ยังอยู่ครับก็เหมือนเสื้อผ้าเวเราไปไหนเราก็เสื้อผ้าของเราไปด้วยใช่ไหม คนหนุ่มน้อยครับทําไมทหารควบคุมร่างกายได้แต่ทําไมจิตใจไม่เข้มแข็งเพราะว่าอะไรครับเพราะเขฝึกแต่ควบคุมร่างกายเขาไม่เคยฝึกควบคุมใจไงถ้าเข้ามาบวชเป็นพระเนี่ยพรป้าปฏิบตัติเขาก็จะมาเรียนรู้วิธีควบคุมใจโดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมใจเ ป, เป็นเครื่องควบคุมใจ การที่เรามีโรคประจําตัวเราควรทําอย่างไรถึงจะผ่อนคลายในตัวได้ครับยอมหยุดเย็นเนี่ยยามรับว่ามันเป็นอย่างนี้ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปต่อต้านมันหยุดต่อต้านาแล้ใจเราก็จะเย็นหากเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเราจะกําหนดจิตยังไงเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากครับ มันจะเป็นอัตโนมัติเราฝึกจริตมาได้ในระดับไหนมันก็จะมันก็จะมันก็จะเป็นไปในระดับนั้นกรณีคุณตาครับมาขอส่วนบุญแสดงว่าคุณตาเป็นเปลตใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้จริงหรอกเพราะว่าเรามันจะคุยกับท่านเนอาจจะเป็นความฝันของเราก็ได้เราอาจจะคิดไปเองก็ได้ คุณสุนิสาครับทอดกรถิน่นทําบุญผ้าไตรถูกต้องไหมครับคือตามมูลนิธิของการถวายผ้ากระถิ่นนี้ถ้าได้ถวายผ้าขาวผ้าที่ยังไม่ได้ตัดเย็บทัพยอ์อมให้ถวายผ้าขาวเป็นธรรมเนียมสมัยพุทธการที่พระจะตัดเย็บจีวรเองสร้างยอมจีเวจีเองไม่มีการถวายผ้าสําเร็จถมายก่อนพระจะรู้จักวิธีตัดเย็บจีวรของตนสมัยนี้พระวาดป่าก็ยังทำยังรักษารประเพณีอยู่ ท่านจะนิยมรับผ้าขาวมาแล้วมาตัดเย็บจี่องสบอร์ผ้าไต่สามผืนเองแล้วก็ไปซักย้อมเป็นสีที่ท่ทานต้องการเองที่วัดยานยังมีไหมครับอาจารย์ทำอยู่ไหมครับไม่แล้วนี่แต่ใช้ของสำเร็จรูป ก, กันเพรามีคนที่เ็าวายมาเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าเป็นเป็นไต่เปเลย ตอนที่พระอาจารย์อยู่บ้านตัด น, นี่ต้องต้องไปเย็บกับเขาต้องทำไห<ป>มต้งเย็บกันพอราบกระเทินเสร็จก็มีเชื่อเวลาอะไรเรายีมเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการตัดเยบ็บกีวอนเราขาดผืนไหนเราก็เปลี่ยนผืนนั่นไปหัดตัดเยบ็บทั้งสามผืนสบงอุ้กกีวอนผ้าหมสังกะิผ้าหม่มกันหนาวสองชัน้นสมัยนั้นใช้จัดเย็บไหมครับอาจารย์ ใช้จักเยอะใช้จีงเยอะเยอบเสียนแล้วก็ต้องไปย้อมนินน้น้ำกันกันหนุนการอุทิศส่วนกุศลถ้าเราไม่ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้รับแต่ระลึกถึงท่านผู้นั้นเขาได้รับไหมครับได้ถ้าถ้าหมายถึงให้เรารู้ว่าเราหมายถึงใครก็รแล้วกัน คุณพัชรวัตรครับกลาบเบียนหลวงพ่อครับลูกคิดถึงเรื่องความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวลูกเองก็จะมีความรู้สึกว่าใจเบาและว่างเปล่าลูกน้องขอทํำที่องค์หลวงพ่อให้อวาดเป็นแผนที่นําทางในชีวิตปัจจุบันนะครับถ้าน้ําน้อมความตายดนะะแสดงว่าจิตมีมอุเบกขาพอสมควรถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วพอคิดถึงความตายนะจะเศร้าจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ควรจะพิจารณาความตายควรจะฝึกสมาธิฝึกสติให้มากขึ้นให้ใจมีอุเบกขาก่อนพอใจมีอุเบกขาแล้วพอเราพิจารณาความตายนี้แทนที่จะใจรู้สึกจะเศร้าจะเครียดมันกลับสงบมากขึ้นเเพราะมันยอมรับความจริงได้ยอมหยุดเย็นครับจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะอย่างไรครับ ก็คิดดีพูดดีทำดีคิดจะทาแต่คุณประโยชน์ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นคิดกำจัดความโลภโกรนนองอันนี้ก็เป็นคุณสอนอย่า ง, างถามพระอาจารย์ครับถ้าหุ้นส่วนผู้ร่วมงานทำงานด้วยกันเอาแต่ใจตัวเองความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังใครแต่เราต้องร่วมงานด้วยเราควรจะวางใจอย่างไรครับ เขาต้อ ง, ต, องต้องทำของเขาต้องยอมหยุดเย็นนั่นเองยอมยอมให้เขาทำตามใจของเราเราอย่าไปต่อต้านเขาเยแล้วเราใจเราก็จะเย็นปล่อยเขาปล่อยวางไปอุทิศบุญให้กับบุคคลที่มีปัญหากับเราจะช่วยให้เบาบางลงได้ไหมครับคนคนเป็นที่เราไม่อุทิศบุญเราอุทิศข้าวของเงินทองให้กับเขาได้เหรอ ใครทำให้เราเขาโกรธเรานี่เราเอาของแม่เข้าไป่อยเงินไปให้เขาเรื่อยๆเนี่ยเ้าก็หายโกรธเองี้มันเกิดก็ส่งของขวัญไปปีใหม่ก็ส่งของขวัญไปมีซองติดไปด้วยเนี่ยเขาก็หายโกรธเราเองคุณหนุ่มน้อยครับ ในบาททุกวันเอาเงินใส่ในถุงขนมทุกวันถวายพระบาปหรือผิดไหมครับเอาเงินใส่ในถุงขนมเราใส่บาทไปนี่คือคนใส่ไม่บาปแต่พระถ้าพระไม่รู้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่บาปเหมือนกันถ้าพระรู้พระจะบอกโยมว่าทำไม่ได้พระรับเงินกับมือไม่ได้นะโยมฝากไว้กับใครที่เป็นลูกศิษย์ แล้วไม่เชนั้นก็ยมต้องไปที่วัดต้องไปถวายให้ที่ที่วัดอีกทีหนึ่งต้องมีคนช่วยรับของให้บุญกระถิ่นมีอา น, นิสงส์สูงกว่าบุญทั่วไปจริงไหมครับไม่จริงหรอก <c oughs> เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นการถวายอึ่งในปัจจัยสี่คือผ้า ม, ผมุ้งมอีกสามันก็คืออาหารบิณฑบาต ที่ว่าใสยารักษาโรคได้บุญเท่ากันถ้าปริมาณของการเสียสละ บ, บริจากเงินเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันร้อยบาทซื้ออาหารใส่บาทก็ร้อยบาทซื้อจีวรร้อยบาทซื้อมันซื้อที่อยู่าใัยก็ร่วมบายจากท่าปกติอย่างนี้ยร้อยบาทซื้อยารักษาโรคมาถวายมันก็จะได้บุญเท่ากันบนุญมากบุญน้อยอยู่ที่ปริมาณของทรัพย์สินที่เราบายจากไปไม่ได้อยู่ที่บุญจะนิดหน่อย ที่ท่านบอกมีนิสงมากถ้าไม่ได้หมายถึงการนิสงท้ามาถึงประโยชน์ของผู้รับเพราะช่วงที่ช่วงนั้นมันขาดผ้าผ้าที่พระเคยเคยไปเก็บผ้าในป่าชาติมาทำเป็นผ้าห่มตอนนี้มันขาดตลาดเป็คนตายน้อยคนบวชเยอะผ้าไม่พอผ้าไม่พระไม่สามารถมีพระครบหนึ่งสำรับได้คือสามเผลนโอ้ยมีแค่สองเผินในวัาจีวันเปียกก็ไม่มี ไม่มีจีวามาเปลี่ยนไปกราบพระไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไปกราบ ท, ทั้งที่จีวามเปลียกพระพุทธเจา้าทรงเห็นความเดือดร้อนของพระเลยบอกว่าญาติโยมช่วยถวายผ้ากระถิ่นหน่อยนะเป็นประโยชน์มากสําหรับพระไม่ใช่โยมก็ได้บุญเท่ากันนะอะโยมถวายอาหารเบญจบารมีราคาด้วยราคาเท่ากันก็ได้บุญเหมือนกันเพแต่ว่าอาหารเบญจบารมันเหนือเฟอือมันพอเกณฑสิ่งที่มันไม่พอคือผ้า กาถวายพระกับพระได้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับพระมากกับผู้รับนาแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นกับผู้ให้แต่อย่างใดผู้ให้กนได้เท่าเดิมคุณปูครับเมื่อคืนก่อนแมวที่เพิ่งรับมาเลี้ยงถูกหมาที่บ้านกัดตายเพราะโยมเผลอเปิดหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นในห้องทําให้แมวหลุดออกไปตอนที่โยมไม่เห็นตามออกไปช่วยแต่หมอช่วยไม่ทันโยมรู้สึกผิดและเสียใจมาก โทษตัวเองที่ทําผิดซ้ำซาก ท, ทั้งที่ตั้งใจแนวแน่ทจะระวังอย่างดีโยอมควรทําอย่างไรเพื่อไถ่โทษได้บ้างครับและควรบอกคนที่เขาให้แมวเรามาเลี้ยงไปตามตรงไหมครับอความจริงเปนย่งไรก็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงอย่ากโกหกการโกหกนี้ไม่ได้เป็ น, ปนการไ ป, ไปแก้ปัญหาแต่อย่างไดต้องยอมรับความจริงว่าเราผิดพลาดไปเสียใจ ถ้าอยากจะถ่ายโทษก็คือทำบุญหลุดทิ้งไปให้กับแนวตัว น, นั้นได้มีพี่น้องที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญสร้างแต่ปัญหาสวดมนต์แบ่งบุญให้เขาเขาจะดีขึ้นได้ไหมครับไม่ได้หรอกเป็นคนละเรื่องกันเขาจะดีไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่การประพฤติเขาเปลี่ยนคาประพฤติของเขาได้หรือเปล่าคุณแต้มสีครับ มีพระรูปหนึ่งเคยสอนว่าฝึกสติสมาธิจะทําให้รู้ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นเพราะกิเลสจะรู้ทันกิเลสเกี่ยวกันไหมครับดิฉันรู้สึกว่าจริงจริงเพราะหลายๆครั้งดิฉันรู้ทันคนอื่นอย่างธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่กําลังเป็นข่าวดังในขนะดนี้ดิฉันก็รู้ทันเขาไม่มีการเสียงเงินซื้อสินค้าเลยครับฝึกสติสมาธิอย่างเดียวยังยังไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมคนต้องฝึกปัญญาครับมีปัญญาแล้วจะรู้ทันจะรู้ว่า เขามีเจตนาดีและไม่ดีกับเราเพราะว่าการกระทาของเขานี่มันจะบอกว่าเขาต้องการอะไรจากเราถ้าเรามีปัญญาเราก็จะวิเคราะห์บางทีเขาจะเอาความความโลภมาเอาความรลของเรามาล่ออย่างที่เขามีดอกกันอยู่เรื่อยๆทำลงทุนแล้วจะได้เงินกลับมาอย่างรวดเร็วสิบเท่าร้อยเท่าแล้วก็เอาเอาคนมาโฆษณามายกตัวอย่างให้ดู ถ้าเราไม่คิดบอบคอบมันาเนาะเป็นไปได้เลยถ้ า, างั้นเก็รวยกันไปหมดแล้วทำบ้านประเทศเลยใช่ไหมไม่คิดกันเนระต้องมีปัญญาถึงจะรูญญ้ทันคนตักบาตรทุกวันครับให้ลูกที่เสียไปแล้วเขาจะได้รับบุญไหมครับถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เขารอรับบุญอยู่เขาก็ได้ครับถ้าเขาไม่ได้อยู่ในสภาพนั้นเขาก็จะไม่ได้รับ คุณสิรินครับวันนี้แคปชั่นตรงกับที่ลูกพูดกับเพื่อนเพราะอยากไม่หยุดต่อไปอาจทำให้เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจอย่างลูกมามีบ่วงคือมีครอบครัวยังไม่พอลูกยังไปนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงช่วงอายุขายไขที่ยังอยู่ลูกก็มีความสุขแต่อายุสัตว์เลี้ยงย่อมน้อยมากแค่สิบกว่าปีเศษเขาก็ต้องจากไปอีกเพราะไม่ยอมหยุดนี่เองออกแล้วอาจารย์ฟังนะครับเออือว่าเขาไม่เทีย่ยง ได้เข้ามาแล้วก็สุขกับเข้าไประยะนึ่งแล้วเดี๋ยวเขต้องตายจากออกไปนั่งสมาธิแล้วชอบนั่งหลับครับต้องทําอย่างไรดีครับคนนั้นก็อยู่ที่การกินอาหารนะเดี๋ ก, กินอาหารให้มากคนนั้นถือสิ้นแปดคือไม่กินอาหารมื่อเที่ยงน้งน้ำเที่ยงไปแล้วไม่กินอาหารเย็นความเมื่อย้ายก็จะลดน้อยถอยลงไปได้ คุณีิลนะครับดูแลพ่อที่ป่วยมาได้หลายปีแต่พ่อกลับไปดื่มเหล้าซื้อยาบํารุงรักษาพ่อมาตลอดเลยหยุดการซื้อยาบํารุงให้พ่อต่อหรือจะหยุดดีครับลูกเลยหยุดเพราะซื้อให้กินเล่าไปก็ทําลายพ่ออยู่ดีเลยใช้กดยอมหยุดเย็นได้ไหมไม่ชอบยอมแบบไหน ย, ยอมไม่เลี้ยงไม่ยอมเลี้ยงพ่อเลยอันนี้กดยังนี้ไม่ใช้ไม่ได้หรอกถ้ายังต้องเลี้ยงพ่ออยู่ต้องเลี้ยงไปต่อไป เราก็ให้สิ่งที่ดีเข้าไปให้อาหารให้อะไรที่เป็นให้ยาที่เป็นคุณประโยชน์กับร่างกายของเขาส่วนตัวก็จะเป็นเดื่นชูรามไม่ทำอะไรนี่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาก็ยังเป็นพ่อเราอยู่ครับการนั่งสมาธิช่วยให้เราได้บุญไหมครับก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะ กวจะได้บุญด่านนี่มันต้องใช้ใช้ใช้เวลามากต้องฝึกสตินัองสมาธิเป็นบางคนเป็นปีๆกว่าจะได้ความสงบกว่าจิตจะรวมถ้าจิตยังไม่รวมมันก็ถือว่ายังไม่ได้บุญกุญแจนครับทําบุญโดยใช้สังฆทานเวียนจะได้บุญเหมือนแบบที่เรากําลังเอาสังฆทานไปถวายเองไหมครับเหมือนถ้าเราไปซื้อของที่เขาแต่วัดเขาขาย ยินทัทยมาจากคนที่ถวายสังฆทานแล้วเรามาซื้อต่อแล้วามาถวายให้กับวัดใหม่เราก็ได้บุญเหมือนเดิมไมว่าเราจะไปซื้อจากร้านก็ดีซื้อจากวัดก็ดีมันก็เป็นมันก็มีการซื้อเหมือนกันซื้อของมาแล้วเราก็มาถวายวัดเหมือนกันถวายภาพเหมือนกันมันก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนน้าปานนะได้แก่น้ําอะไรบ้างครับคือน้ําผลไม้ไงน้ำผลไม้ทัน ซึ่งต้องผลไม้ต้องมีขนาดไม่ใหญ่ใหญ่กว่ากํำ ม, มือคือมาไม้ทังขนาดปกติของผลไม้นะมันต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่ น, นส้มนี่ได้อยู่พวกองุ่นแอปเปิ้ละนี้ได้อยู่แต่เวลากองน้ำนะเวลาคั้นน้ําออกมาแนละ้วต้องเอาผ้ากองมากองเศษที่เป็นกากเป็นเนื้อไม่ให้มันติดแยกมันออกให้ดื่มน้ำเปล่า ในวน้ําป่านะน้ำผลตไม้อย่างน้ำแตงโมงไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้มันใหญ่ไปสับประรดก็ไม่ได้มะพร้าวก็ไม่ได้ครับผลมันใหญ่กว่าก๊าบก้าบปั้น ค, คุณปุ้มครับตอนนี้พ่อป่วยพ่อกลัวการนอนหลับกลัวหลับไปแล้วจะไม่ตื่นต้องบอกพ่อแบบไหนดีครับไม่ต้องบอกไงนะไบอกยังไงนะ่ะ ไม่เตือนก็ไม่เตือนเนี่ยความจริไม่เตือันดีกว่าเตือนเต่อนแค่ว่าเราต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายมันไม่อยู่ในสภาพที่อยู่ได้เราก็ให้มันไปดีกว่าไม่เตืนดีกว่าคนตายสบายไม่ต้องหาข้าวกินไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปทําอะไรก็ยุ่งยากอยู่ไปก็ทํําไทาอะไรไม่ได้อยู่ดีนอนติดเตียงนี้่ทุกไปดีกว่าแต่อย่าไปฆ่าตัวตายทัานหนึ่งให้มันไปโดยธรรมชาติ ถ้าผู้เปรียบเทียบว่าอยู่ก็อยู่อยู่ดีกว่าแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าสบายกว่ากรถินคืออะไรครับกรถินก็คือเป็นวิธีที่ผ้าผ้าใช้วิธีเย็บผ้าเขาใช้ใช้ไม้ขึงไม้ขึงเพื่อเอาตรงัยก่อนไม่มีจักเย็บไปเวลาถ้าเย็บผ้าผืานให ญ, ใหญ่ๆก็มักจะมีไม้ไม้ที่มาขึงผ้าแล้วเพื่อจะได้ เย็าให้มันติดกันได้ไม้ที่มาขึงผ้าเรียกว่าเรียกว่ากระถิน่นถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ไปเปิดดูตาดําราดูก็ได้คุณคคุณพาณิชย์ครับภาวนาสองสองติดกันเวลานอนหลับไม่ถึงสิบนาทีสูงสุดสามสิบนาทีแต่ร่างกายไม่เหนื่อยมีส่วนเกี่ยวกับการภาวนาไหมครับหมายถึงร่างกายเหนื่อยและไม่เหนื่อยก็มีส่วน ถ้าร่างกายเนื่อยมากๆบางทีมันก็ง่วงนอนมันก็อยากจะหลับซะมากกว่าแต่ถ้าร่างกายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยก็สเตจก็จะดีกว่าก็จะนั่งได้นานกว่าคนข้างบ้านไม่รู้จักกันเลยครับแต่พอเจอกันทีไรหาเรื่องตลอดเราจะแก้กรรมอย่างไรดีครับก็เฉยๆไปวางเฉยยอมหยุดเย็นอย่าไปเข้าเป็นไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปต่อสู้ไปต่อต้านเขา ไป ม, มีเรื่องเวลาของเขานัากใจเราก็จะใจเียนสบายคุณอัมพรครับเราให้เงินพ่อพี่น้องลูกๆอย่างนี้ถือว่าแผ่เมตตาไหมครับใช่เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อืนนะ่นก็เรื่องเป็นการแผ่เมตตามีคนคอมเมนต์บอกว่าอย่างนี้ทําบุญไม่ขออะไรขอแต่ให้เข้าใจทำที่ถูกต้องอย่างนี้ดีไหมครับ ขออะไรก็ไม่ได้หรอกมันได้เท่าไ ด, ได้ได้เท่าที่มันจะให้เราได้ทําทานก็จะทําให้เราจิตใจสูงขึ้นมีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็จะทําให้เราไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปแล้วอันนี้สองของการทําบุญทําทานคุณอมพรครับถ้าเราเดินรอบโบสถ์ที่วัดไม่ได้ถอดรองเท้าอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่แบาปเราเน้นธรรมเนียมไปธรรมเนียมก่อน mm hmm. เขาจะถือว่าเวลาเราเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องถอดรองเท้าเพราะว่าจ ะ, าจะไปการแสดงความเคารพแต่สมัยนี้มันใส่รองเท้ามันเป็นปกติแล้วเป็นธรรมดาไปแล้วถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปบลบหลู่ก็ไม่แบาปแต่อย่างใดกรณีเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเงินบริษัทที่เกี่ยวกับเงินที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่า มีเกี่ยวกับว่าเป็นนีิกรรมมาก่อนไหมครับนี่อย่างนี้<ช>อย่างที่พูดนะถ้าเรื่องของกรรมเหล่านี้เราพูดไปได้เพราะมันเป็นเรื่องอาชินไตพูดได้เพียงแต่ว่าทําทํากรรมดีก็ไปสวรรค์ทากรรมชั่วก็ไปอาบายฮรื่องเรื่องปิดยอดเหล่านี้ว่าเกิดจากอะไรนี่มัน ม, มันอาชินไตคุณสัมพันธ์ครับ มีคนให้ผมมาฟังธรรมจากคนสอนซึ่งเป็นค า, ารวาสเขาพูดจาหยาบคายและเขาบอกว่าเขาจบกิจเป็นอรหันต์แต่กระผมแกล้งฟังและก็ไม่ปฏิเสธผมทําถูกไหมครับเนื่องจากผมไม่เชื่อครับได้ฟังได้ไปเชื่อไม่เชื่อเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงถ้ายังไม่สามารถมีเคราได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ฟังไปเฉยๆฟังหูไว้หูไปทั้งนี้ไม่ให้เสียมารายา นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการตัวโยกครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากการขาดสติสติไ ม, ม่มีสติน้อยช่วงนี้มีข่าวด้านไม่ดีของพระสงฆ์เมื่อฟังข่าวมากๆทําให้ใจเผลอคิดอคติกับพระกับครูบาอาจารย์ได้จับป้องกันไม่ให้ใจคิดลบหลู่ได้อย่างไรครับก็ต้องแยกอยก่างเี้ะคนเรามันมีทั้งดีไม่ดีในทุกสังคม ไม่ใช่เยอะแต่เฉพาะสังคมของสมอแม้กระทั่งในบ้านเราก็มีคนดีมีคนดีมีคนไม่ดีปะปนกันไปเราก็วิเคราะห์เป็นรายลายไปคนไหนดีเราก็แยกว่าเป็นเป็นฝ่ายดีไปคนไหนไม่ดีเราก็แยกว่าเป็นฝ่ายไม่ดีไปนี่ต้องใช้ปัญญาอย่าเมาล้วมอย่างที่เขาบอกว่าปลาหน้าตัวเดียวก็ยนปลาหน้าปลาทิกงไปทั้งเข่งเลยปลาดีๆยังมีอยู่ไปที่มันทำไมก็เก็บปลาดีไว้ อาตัวไหนมันน่าก็ยากมันออกไปโยนทิ้งไปเท่านั้นเองโรคประจําตัวที่ติดเรามาตั้งแต่เกิดเกิดจากอะไรครับแล้วเราควรจะแก้อย่างไรครับอมันก็มีโรคกรรมพันธุ์ไงที่มาจากพ่อแม่โรคเมื่อใช้แมทเรสเมอรอะไรพวกนี้มันก็มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นเราก็เป็นบางทีพ่อแม่เป็นมะเร็งบางทีเราก็เป็นตาม อนนี้มเป็นเรื่องกรรมพันธ์คุณโบครับชาตินี้ไม่ยินดีความเป็นเพศหญิงขอวิธีวางใจครับเมื่อเราแทร่างกายของผู้หญิงแต่ใจเราเป็นเป็นผู้ชายเราก็เราก็เราก็เป็นผู้ชายของเราไปเลยก็จะทำไม่ได้ร่างกายมันเป็นคนหนึงคนหนึ่งใจมันเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายเป็นผู้หญิงแตใจเป็นผู้ชาย ใจเป็นผู้สั่งให้นางกายทำอะไรล้วก็ทำมาตามที่เราเป็นผู้ชายไปแต่วันนี้เขาก็ไม่ถือสากันผู้หญิงที่ทำตัวเป็นเหมือนเหมือนผู้ชายใส่ยันเกรงตัดผมสั้นอะไรต่างๆนี้เขาเขาทำได้ไม่เสียหายตรงไหนแบบทำเป็นหญิงเป็นชายเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันหมดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขาคนต้องคนไม่เข้าใจที่ว่าเป็นคนเป็นคนอาเพศเป็นคนผิด เป็นคนที่ถูกสาบมาให้เป็นอย่างนี้บางทีมันอาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการจับคู่จับจับคู่ไม่ตรงกันนอยบางอย่างท่านเองสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านทุกวันครับแต่ไม่ได้จุดทูบจุดเทียนเลยจะได้บุญไหมครับได้มันไม่ได้อยู่ที่การจุดทูบมันไม่จุดทูบแต่ได้บุญหรือไม่ได้บุญก็อยู่ที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบ ถ้าจริงยังไม่สงบ ม, มันก็ยังไม่ได้บุญคุณคณิตฐาครับถามพระอาจารย์ว่าขณะคนเสียชีวิตแล้ววิญญาณยังอยู่ ร, บรอบๆบริเวณนั้นหรือไม่ครับนะแต่ไม่น่กรณีท่านมันมีกรณีที่พิเศษเช่นมีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ในบ้านตามตำรานะเศรษฐีคนหนึ่งนี่ เวลาได้เงินได้ทองมานี่ไม่บอกใครเอาไปฝังดินไว้ไม่เอาให้ใครเก็บไว้ใช้กลัวคนอื่นจะมาแย่งไปวันได้เงินได้ทอามาก็าไปขดฝังดินฝังดินไว้พอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ยังหวงเงินอยู่หวงเงินทองอยู่แล้วคนที่ที่บ้านมีหมาตั้งคันอยู่ก็เลยกลับมาเกิดปกเป็ น, นลูกหมาเห็นลูกหมาพร้อมลูกหมานี่ข้อดออกมาพอดีพระพุทธเจ้าผ่านมาเห็นลูกหมาทอนีพระพุทธเจ้าบอกว่า หมาตนี้เป็นพ่อของเธอกลับมาเกิดนะเธอต้องเลี้งมันให้ดีอย่าปล่อยให้มันหนีไปไหนนะเดี๋ยวมันจะพาไปขุดสมบัติให้ก็จริงอย่างที่พุทธเจ้าพูดเพราะไม่มีใครรู้เนี่ยว่าพระฝังสมบัติไว้ที่ไหนบ้างมีแต่หมาตัวนี้ที่รู้ครับอันนี้ก็ะบวนการในที่ผูกพันกาเห็นในประวัติของหลวงปู่มั่นก็มีเรื่องวิญญาณของสองพี่น้องที่สร้างเจดีย์ไม่เสร็จแล้วตายไปความผูกพันในกับ M, เจดีย์เีมีอยู่ก็วนเวียนเป็นดวงวิญญาณวนเวียนอยู่กับบริเวณเจดีย์น้องผู้มั่นท่านไปนั่งสมาธิท่านสามารถเห็นเห็นดวงวิญญาณได้ก็คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาสร้างเจดีย์ยังไม่เสร็จเขาเป็นห่วงน้องผู้มั่นเลสนเขาว่าอย่าไปยึดจะไปติดการยึดติดนี่มันจะเป็นการเปิดกั้นการที่เราจะไปรับผลบุญของเราที่เราได้ทําไว้เราสอนท่านชอบปล่อยวางไม่ยึดติดเขาก็ได้ไปรับนในสองผลบุญที่เขาได้ ได้ทำจากการสร้างเดียรก็คือไปสวรรค์ต่อแล้วมันเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ทุกกรณีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่จะส่งไปถ้าบุญมากกว่ บ, บาป ก, ก็ยืนหนึไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่บุญก็ยืนหนึ่งไปอบายถ้าบาปกับบุญเท่ากันก็จะมาเป็นมนุษย์มีสามทางล้วย การสวดมนต์ดีอย่างไรและควรจะสวดบทไหนดีครับเป็นการเจริญสติฝึกสติคอย ค, ควบคุมความคิดให้ใจไม่ให้คิดน้อยลงเมื่อใจคิดน้อยลงใจก็จะมีความสงบมีความสุขมากขึ้นมันจะสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่เราแต่ทำที่ดีควรจะสวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือเพราะถ้าเปิดหนังสือมันยังต้องใช้สายตาดูดูตัวอักษร อ, อยู่เราต้องการสดวดเพื่อดึงใจให้เข้าข้างหน จะมีทำท่าท่องบทไหนบทใดบทหนึ่งเอาบทสั้นๆแต่ส่วนหลายๆรอบก็ได้เช่นเาจะใช้พุทธังสะนังกชามิทำมังัะนังกชามิสามครั้ ง, งสะนังกชามิไปหลายๆรอบก็ได้มันจะส่วนบทอิติรปิโสก็ได้เป้าหมายก็คือให้มีสติให้จิตนี้ผูกจิตไว้กับการสวดมนเพื่อจิตจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เมือจิตไม่คิดใจจิตก็จะว่างจะเย็นจะสงบจะสบาย มารายงานครับก่อนนี้ไม่สบายหนักนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนี้ดีขึ้นกลับมานั่งได้มีความสงบเร็วขึ้นจากที่มีไม่พอใจใครก็คิดว่าควรแผ่เมตตาเขาเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างบุญปฏิบัติธรรมครับใช่ไม่มีเวลาจะมีคุณค่าก่อจิตใจก่อนดวงวิญญาณของเรายิ่งกว่าบุญกุศลนละธรรมที่เราปฏิบัติขึ้นทำได้เท่าไหร่เราอไปได้หมดเลยแต่ทําินทาทาวไ้เท่าไหร่ต้องทิ้งไว้หมดนะไปไม่ได้ เขว่าให้หาสตินีกว่าหาสตังค์ครับวพราะเอาสติไปได้แต่สตังค์นี่เราไปไม่ได้เมื่อจิตรวมมีสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วไม่มีความคิดใดๆก็เดินปัญญาถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับชวงที่นั่งสมาธิทำสมาธิให้จิตนิง่งไม่ต้องการเดินปัญญาต้องการทําจิตให้นานที่สุดเท่าที่จะ น, นานได้ เพาการพักจิตนี้จะให้พลังกับจิตให้อุเบกขากับจิตเพื่อที่จะได้ไปใช้ต่อสู้กับกิเลสเวลาใช้ปัญญาต่อไปจะใช้ปัญญาก็ต้องราให้ออกจากสมาธิก่อนคุณสัญชัยครับทำไมกรรมของพ่อแม่ถึงตกมาที่ลูกครับทำไมถึงเป็นกรรมเผาพันธ์ครับ ท, ทั้งที่ลูกก็ไม่ได้ก่อครับ คำว่าเผ่าพันธุ์นี้ไม่ใช่หมครับว่า พ, พ, พ, พ, พ, it, พ่อแม่ที่ให้กาเนิดเราเป็นเผ่าพันธุ์ของเราพ่อแม่ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเราก็คือกรรมคือการการะทําของเราในชาติก่อนเราเคยทําชั่วมาเราก็จะมาเกิดเป็นคนชั่วต่อไปเราทําเราเราเคยทําความดีมาเราก็จะมาเกิดเป็นคนดีต่อไปนี่คือความหมายของกรรมเป็นเผ่าพันธุนน์ไม่ใช่พ่อแม่ที่ให้หกําเนิดเราถ้าคนเป็นลูกสร้างบุญ คุณพ่อคุณแม่จะได้รับบุญด้วยไหมครับเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันครับไม่ได้ไม่ได้บุญใครบุญมันคุณประพันธ์ครับการไปตัดต้นมะม่วงต้นใหญ่มากจนเหลือแต่ตอผิดสิ่ข้อหนึ่งไหมครับผิดตรงไหนล่ะไม่ทราบผิดตรงไหนมันไม่ได้ฆ่าสัตว์ต่อชีวิตต้นไม้ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ ไม่อยู่ในภายใต้กฎของข้อข้อที่หนึ่งอ้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระที่ว่าโนนนี้นั่นให้พระเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจจะเป็นพระว่าพระอะไรนะครับอาจารย์ถ้าว่าด้วยความเมตตาว่าเพื่อสั่งสอนให้กับปัญญาก็อย่างครูบาอาจารย์ว่านี้ได้ดี แต่ถ้าว่าในความโกรธในความโมโหนี่ไม่ควรจะว่าใครคุณสมพรครับโยมมีนิสัยความคิดดับอาฆาตแต่ไม่ได้หมายถึงจะไปทําลายทําำลายใครแต่สมเหมือนจิตมีโมหะจริตต่อคนที่ทําพฤติกรรมไม่ถูกใจยโยมควรจะต้องใช้ทำข้อใดดีครับ <c oughs> ใช้ความเมตตาให้อภัยให้อภัยในพฤติกรรมของเขา อย่าไปทึท่ทอดกอดเือเขาเป็นอย่างนี้เา้เาทิศสายก็เป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาทำไปเราอย่าไปกอดไปเกลียดเขาคุณชงมาศครับมีคลิปหนึ่งพูดว่าการสวดศพเป็นบาปและยังบอกว่าพระที่มาสวดศพไม่ใช่กิจของสงฆ์คนพูดเช่นนี้เป็นมิจฉาทิฐิไหมครับคือการสวดศพนี้มันเป็นประเพณี ส่งคงตายไปแต่ความจริงตามตา ม, ตามหลัพกพุทธศาสนาคนตายนี้ไม่ต้องไปสวดให้เขาหรอกเขาไม่ได้อะไรเขาไปตามตามหน้าของบุญของบาปของเขาไปแต่เป็นเรื่องของความเชื่อที่เชื่อกันมาแล้พระที่ไปในบัศึกษาพระธรรมอย่างโจงแจ้งไว้ก็ต้องทําตามประเพณีไปอั่นเองเอานี้มันไปสวดก็ไปสวดนะเพราะเขถือว่าเป็นการทําบุญสวดให้ผู้ตายไปอาจารย์ไม่เคยไปสวดเลยไหมครับ เคยบ้างช่วงแรกๆบางดีถ้าอยู่บ้านตายบันนี้ชาวบ้านที่บ้านตายเขาใส่บายรประจำเวลามีคนตายเขาก็จะ น, นีหมือนพระว่าบ้านตายไปสว่วนไปสว่วนแล้วก็ไปไปที่ป่าเช้าเลยไปทำมาดิกาไปเป็นพิธีทำพิธีเผาศพเลยศพเขาก็ไป ม, มีเมงเขาเอาเอาลงสร้างไว้บนกลองฟืนแล้วก็จุดไฟเผาเลยอันนั้นคดีเป็นเป็นการไปพิจารณาความตาย ครับเห็นศพเลยเห็นศพนอนอยู่ในโรงตอนที่เราเอาทุบเทียนไปไปวางไวในโรงก็จะเห็นศพนอนอยู่ครับืนเดียวจบเลยใช่ไหมครับอาจารย์อ่ามันเดียวจบเลย จ, จบเลยอืาตอนบานอ่ายส่วนใหญ่จะทําตอนบ่ายนั้นเขาเผาศพในช่วงบ่ายแล้วพอค่ำไฟมันก็ไหม้หมดเช้ามันก็เห็เุเซกันดูไป โดนโกงเงินไปหลักล้านเราควรวางใจอย่างไรครับคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปนว่ า, ร, ว า, ารือคิดว่าเป็นการใช้มี่เก่าไปก็ได้การอุทิศบุญหลังใส่บาตรเสร็จคือการนึกถึงส่งผลบุญแผ่บุญไปยังคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษทุกคนทางใจ คือการนึกถึงการอุทิศบุญแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับถูกต้องนะแล้วแบ่งความสุขที่เราได้จากการทําบุญไปให้กับผู้ที่เรารับไปแล้วไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องให้รอให้พระสวดให้ไม่เกี่ยวกันใจเราเพียง <ๆ S 2> อย่างเดียวใจเรามีความสุขจากการทําบุญแล้วก็สามารถแบ่งความสุขนี้ให้กับผู้ที่เรารับไปแล้วได้ การออกโรงทานได้บุญมากไหมครับก็เหมือนกันนะครับน้อยอยู่ที่การบริจาคของเราเบริจาคมากก็ได้บุญมากได้บริจาคน้อย ก, ก็ได้บุญน้อยจากข้าวหนึ่งจานกับแจกข้าวสิบจานเนี้อันไหนจะได้บุญมากกว่ากันนะครับสิบจานครับทําไมการถือศีลแปดข้อที่ห้ามกินอาหารในยามวิการจึงกําหนดเวลาไม่เกินเที่ยงครับ วันนี้ไม่รู้เหมือนกัน้องถามว่าปุตตะเจาวันนี้เป็นช่วงที่เขาเขาในสมัยก่อนเขาจะสะดวกในช่วงนั้นเขาบันเทิงวันพอดีก็เให้การเที่ยงวันไปสมัยก่อนเขาไม่ได้ทํางานมันเราที่อยู่ที่กินข้าวตอนเที่ยงวันเขาเป็นชาวนาชาวไร่เขาจะกินก่อนเที่ยงก็ได้ครับคุณปุ๊กจังครับ การอุทิศบุญให้ญาติที่สืบต่อๆกันมาก่อนปู่ญาตายายซึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเราจะอุทิศอย่างไรครับก็พูดไปปู่ญาตายายบรรท้อรุ่ทั้งหลายพูดไปแต่เขาจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แล้วมันไกลเลยเราจะอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งปูงทั้งทั้งทั้งนอกที่เป็นห่ายตายเกิดก็ได้แต่เขาจะได้รับหรือไม่ก็อยู่ที่สถานภาพของเขา อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจคําถามนะครับคําถามว่าสวดมนต์ไม่ออกจะได้บุญไหมครับการสวดมนต์ถ้าออกเสียงไม่ออกเสียงนีไม่จําเป็นโซนเหนือใจก็ได้ได้บุญแต่ยังไม่ได้คือได้สติแต่ยังไม่ได้บุญคือว่าบุญนี่มันต้องเกิดความสุขใจเกิดความสงบขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ความสุขใจก็ยังไม่ได้บุญแต่ได้ได้ได้เจริญสติการสวดมนต์นี่เป็นประกาเจริญสติ พ่อแม่ทำกับลูกบาปไหมครับเช่นให้เราเอาเงินไปใช้หนี้ให้น้องบอกจะเอาที่ดินให้เราแต่ไม่ให้ครับถ้าพ่อแม่พูดปลดก็บาปไม่ว่าจะพูดปลดกับใครก็ตามหอกลวงใครก็บาปเหมือนกันนอนฟังธรรมแล้วนอนหลับไปเลยอย่างนี้บาปหรือบุญครับไม่ได้บุญไม่ได้บาป น, นการนอนหลับ คุณศิรินครับช่วงนี้มีงานทอดกะถินพี่สาวใช้เงินกองกลางของครอบครัวซื้อชุดผัดไตรแต่ลูกกลัวไม่ได้บุญเพราะเคยฟังข้อธรรมจากพระอาจารย์ต้องออกเงินตัวเองอยากทราบว่าพี่น้องที่ไม่ออกเงินส่วนตัวจะได้บุญไหมเงินนี้เป็นเงินค่าเป็นเงินค่าบ้านเช่าของคร อ, อบครัวพ่อแม่ครับออ ก, ก็ต้องขออนุญาตก่อนที่เนของกลางไม่ใช่ของเราพ้ะงขอนุาคนที่มีส่วนนู่เป็นเจ้าของ ขออนุ ญ, ญาตนะคาอนุญาตให้ครับเขาก็ได้บุญด้วยเพราะเป็นเงินของเขาเันเงินของเขาด้วย<อ>แต่ถ้าไปโดยที่ไม่บอกเขาไม่ขออนุ ญ, ญาตเขานี่ก็ถือว่าเป็นการขโมยลักทรัพย์ของผู้อื่นไปทําบุญนี้ได้บุญด้วยก็ได้บาปด้วยคุณสมพรครับโยมส่งอาหารไปให้แม่ที่อยู่คนละจังหวัดกับโยมโยมทํางานที่ต่างจังหวัด การจัดส่งอาหารให้คุณแม่ทางไปรษณีย์ถือเป็นการดูแลคุณแม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาโยมได้มีโอกาสกลับบ้านก็จะดูแลปริบิท่านประจำสมุกเสมอครับได้การดูแลเท่าที่เราทำได้ไอาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับเวลาที่เราไปอยู่ว่านได้ทำได้มากกว่าการส่งแค่าอาหารไปเพียงอย่างเดียว การฝากคนอื่นใส่บาทกับพระอาจารย์ก็ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเป็นการเสด็สละเงินเหมือนกันเพียงแต่ไม่สะดวกมาใส่ด้วยตัวเองเนื่องจากอยู่ไกลจึงใช้วิธีการโอนเงินเป็นค่าอาหารไปครับได้ได้ได้บุญเหมือนกันเรารอจารย์ร้ยบาทเราก็ได้ได้ได้บุญส่วนนี้แต่ส่วนที่เราไม่ได้คือความเพียรเราไม่ได้มาทําเองฝากให้คนหน่งก็ทําคนหน่งเขาก็จะได้บุญส่วนนั้นไปคือการการทําความเพียรแทนเรา ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเรายัางมีชีวิตอยู่เวลาเราทําบุญสร้างพระเขียนแผ่นทองเป็นชื่อท่านท่านได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกต้องเป็นเงินของท่านต้องเป็นเจตนาของท่านท่านถึงจะได้บุญเราสามารถเจริญสติเจริญปัญญาอย่างไรได้บ้างครับก็สติก็คือให้เราละ เ, เลิอกอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจคิดนี่ไป ส่วนปั ญ, ญาแล้วก็มองอะไรก็เห็นว่าเป็นไาแล้วเป็นอนิจจังเป็นของไม่เทียมเป็นของชั่วข่าวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยให้เขาปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปตามเรื่องของเขานี่คือปัญญาเรองเพยงว่าอังกฤษก็ได้เคเซราเซลาอะไรจะเกิดก็เกิดนี่ก็คือปัญญา วันนี้เมื่อเช้าก็ยังได้ตึงเพลงนี้ไว้อาจารย์บทสวดมนต์ฟังตำราพิมพ์ไม่ถูกแต่เราใช้สวดตามมาตลอดเราได้บุญไหมครับและหากเราสวดผิดไปตามเขาด้วยครับคือมันไม่ไม่สําคัญหรอกพิมไม่ถูกสําคัญก็คือมันจิตทําให้จิตเราสงบหรือไม่สงบถ้าจิตเราสงบก็ได้บุญ บุคคลที่บรรลุธรรมขั้นต้นจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรโดยละเอียดที่ไม่เข้าข้างตัวเองครับก็เวลาเป็นหโรคอะไรแล้วใจรู้สึกเฉยเฉยหมอบอกเป็นขั้นสุดท้ายแล้วให้เตรียมตัวตายได้แล้วเราก็รู้สึกเฉยเฉยออเกิดมาแล้วต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแล้วอที่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปทุกข์กับมันทําไมอันนี้เนาะมันต้องมข้อทดสอบไม่ใช่เพียงแต่เลือกคิดขึ้นมา ว่ารังการไม่ใช่ตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล้วเราไม่ทุกกับมันใช่ตอนตอนนั่งคิดยังคิดได้ไม่ทุกกับมันแต่เวลาเจอของจริงเราจะทําใจได้หรือเปล่าเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะไปสุกเฉยนเฉยหรือเปล่าถ้าเราฉุกเฉยนเฉยไม่เดีอดร้อน ก, ก็ถือว่าผ่าน ป่วยต่อยเตียงอายุมากๆแล้วมีกรรมอะไรครับกรรมก็คือการมรดกอย้วแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแม้แต่พระเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีใครยกเว้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงให้พึงระลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้อง เห็นตายรักแล้วเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกที่เกิดนั้นเกิดจากความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาซึ่งมันเปนไปไม่ได้สวดมนต์ในใจหรือเปิดฟังได้บุญไหมครับถ้าจิตสงบก็ได้บุญถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้บุญเขาถามต่อกันนะครับสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงเปิดฟังบทสวดมนต์ ได้บุญไหมครับได้ท่านจิตสงบเลยท่านจิไม่ม ค, คิดตรงนั้นตรงนี้นนนนทุกๆวันมักจะนึกถึงความตายเป็นประจำถ้าวันนี้เราต้องตายเราจะทำอย่างไรรู้สึกจิตใจมันสงบทำให้ชอบนึกอยู่บ่อยๆรู้สึกสบายใจไม่ชราบว่าถูกหิดประการใดขอความเมตตาครับถูกครับมันทำให้เราสอนให้เราปล่อยวางละความอยากต่างๆได้ ความทุกข์ใจก็เลยหายไปแนละ้วแต่ความสบความสบายใจขึ้นมาตัวใจที่เรียกว่าสมุทยัยตัวที่ฟุ้งขึ้นลอยขึ้นโดยอัตโนมัติมันเป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมครับคือความอยากมันเป็นกิเลสมันเกิดจากการที่เราไปสัมผัสไปเห็นอะไรที่เราชอบเราก็เลยอยากได้ขึ้นมาหรือไปเห็นอะไรที่เราไม่ชอบก็อยากให้มันหายไป คุณ บ, บุญรัตครับถ้าแม่สวดมนต์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกให้ปลอดภัยลูกจะปลอดภัยไหมครับลูกชอบขับรถเร็วครับอ๋อไม่ปลอดภัยหรอกสิ่งที่จะปลอดภัยก็คือความไม่ประมาทเราสวดมนต์พร้อมพระเวลาไปวัดอย่างนี้สมควรทํำไหมครับไ ม, ไม่ไม่ไม่เป็นธรรมเนียมที่เราจะไปสวดเวลาพระท่านสวดเรามีหน้าที่ฟังรับฟังไปเฉย จิตของคนไข้โค ม, มา่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ร่างกายหรือไปที่ใดครับจิตไม่เคยอยู่ในร่างกายจิตอยู่ในโลกทิพย์เพื่อส่งกระแสการรับรู้คือวิญญาณมาเกาะมารับข้อมูลจากร่างกายเท่านั้นเองเนะครับร่างกายแก่เจ็บตายจิตก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในร่างกายการทําบุญสร้างพระอานิสงส์งเยอะไหมครับ เนื่องจากสร้างพระใช้เงินเยอะหลักแสนครับคือการสร้างพระพุทธโลกนี่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ทงสอนให้สร้างพระพุทธเจ้าทงสอนได้สร้างพระในใจสร้างพระอริยบุคคลนั้นจะได้บุญมากกว่าการสร้างพระนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้หลงได้ลองคิดว่าพระอยู่ในในในพระที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งความจริงมันพระที่แท้จริงอยู่ในใจของเรา เราปฏิบัติทำแล้วเมตช้าก็เลยเราก็จะพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาในใจของเรานี่คือสิ่งที่พระเจาต้องการให้เราสร้างกันก็นกนกนคือสร้างพาระ ใ, ในใจแต่ถ้ามาสมัยนี้ว่ามันเป็นทำเนียมแผนีสร้างวัดก็ต้องมีองค์พรูปถ้าเราถวายเงินเพื่อสร้างองค์พรูปเราก็ได้บุญเหมือนกันก็เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นวัตถุทานคุณนักธาครับ การมีความมุ่งมั่นรักษาศีลห้าไม่ได้ไปวัดไม่ได้ใส่บาตรได้บุญไหมครับได้ศีลห้า น, นี้กำลังเรื่องของใจเราที่จะรักษาการกระทําทางร่างกายไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อันนี้สองก็คือจะเป็นประตูบายได้ท่องคาถาให้ขายของดีจําเป็นต้องท่องไหมครับไม่ต้องอใช้ปัญญาดีกว่าคนจะขายที่ไหนคนจะขายศีลข้าอะไร ต้องศึกษาการตลาดดูความต้องการของตลาดว่าเขาต้องการอะไรคนสมัยนี้เขาฉลาดไงนี่เขาถึงมีบริษัทมาหลอกลวงคนว่าคนต้องการความน้ำมนรวยกันเขาก็รวมมีลูกค้าแบบนี้เยอะเขาก็เลยมาขายความน่ำมนรวยให้กับลูกค้าลูกค้าก็แห่กันซื้อกันไปในงานที่เฉยก็ก็ถูกหลอกไปแบบนี้ไม่ดีเนี่ยมันเป็นการ หลอกวงเป็นการช่อกงฟังธรรมะเวลากินข้าวบาปไหมครับไม่คว ร, รอ่เพราะการฟังธรรมนี่เป็นการเรียนหนังสือเป็นการศึกษาเป็นการฟังเทศฟังธรรมคาสอนอนุปเสรย ข, ของพระพุทธเจ้าควรให้ความเคารพในการตั้งสติให้อยู่กับการฟังให้นั่งเฉยๆไม่พูดคุยกันไม่ให้ทําอะไรทั้งสิ้น เวลาไปรักษาศีลแปดเขาไม่ให้กวาดกลัวโดนสิ่งมีชีวิตจะบาปไหมครับคือไม่อาจจะโดนมดบ้างแต่มันไม่ตายก็ไม่บาปทีนั้นก็ไม่ต้องทําความสะอาดเลยเสร็จปล่อยให้วัดลบโรงงานไปวัดพระทุกวันที่เขาก็สุกัดกันทนะั้งนั้นไม่ทราบไปวัดไหนที่เขาไม่กวาดกันแค่ไว้เลยหรือสมัยนี้เขามีเครื่องเป่าเลยอย่างนี้ถ้าทที่จะกวาดอะไม้เขามีเครื่องใช้เครื่องเป่าเลย มันก็ป่ามดไตอยู่นี่ครับทำไมถึงชอบฝันเห็นบิดามารดาบ่อยๆครับเพราะเราคิดถึงเขาโดนโกงเงินจากคนที่สนิทเราควรจะทำใจอย่างไรครับก็ใช้นี่เก่าไปเนืแผดเมตตาให้เขาไปให้ความเมตตาให้ความสุขกับเขาทำบุญทำทานไป สาธุอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิโดยใช้กรรมฐานเป็นอนาปานาสติบวกกับบริกรรมพุโทโธแต่ผมไม่เคยเห็นแสงเลยครับแต่เห็นจิตที่ไหลไปในความคิดพอรู้ก็กลับไปอยู่ที่กรรมฐานระหว่างวันก็ใช้อานาปานาสติบวกกับบริกรรมพุโทโธอยู่เนืองๆก็เห็นจิตที่หลงจิตที่มีอกุศลโมหะโลภโทสะแบบนี้แปลว่าผมนั่งสมาธิยังไม่ได้ฌานใช่ไหมครับยังไม่ได้ฌานถ้าได้ฌานจิตจะว่างใจนิ่งจะสงบ สติเรายังไม่ไม่สเถียนสติเรายังไปไปมาม า, มาอยู่บางทีก็มีสติบางทีก็เพลินสติต้องพยายามฝึกสติก่อนมานั่งให้มากๆก่อนตั้งแต่ลรมตาขึ้นมาพอเรมตาขึ้นมาก็พูดโธพูโทโธไปทั้งวันนะถ้าทำองนี้ได้แนละ้วนั่งสมาธิจิตจะสงบได้ง่ายกว่าก่อนตายจะรู้สึกทรมานไหมครับ ถ้าพูดจะตอบยังไงเรายังไม่ตายเลยรับรักษาศีลแปดหลังเที่ยงทานกาแฟดำได้ไหมครับอาจารย์ได้กาแฟไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่อย่าใส่นมก็แล้วกันนมนี่เป็นข้อห้ามกาแฟดาชากาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มเครื่องหลั่นมต่างๆถ้าไม่มีส่วนผสมของนมก็ดื่มได้ กอนตายจเจริญสติท่องพุโทโธหรือสวดมนต์ดีครับก็แล้วแต่เราทำอะไรได้เราก็ทำอย่างนั้นไปคุณหลิงครับถ้าเราปฏิบัติธรรมเป้าหมายเพื่อเราเข้าไปหาตัวรู้ก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่เราเป้าหมายก็คือต้องการทำใจให้สงบให้ใจมีความสุขจากความสงบเมื่อเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราจเจริญไป วิธีหาความสุขแบบเดิมคือหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลินรสเราต้องการตัดความอยากการหาความสุขจากรูปเสียงกลินรสเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใช้อาศัยร่างกายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายได้อย่างไม่ทุกถือศีลแปดเป็นการส่งเสริมทําสมาธิไม่ครับได้เป็นการสนับสนุนเครื่องมือ เพราะว่ามันจะทำะทำให้เรามีเวลากับการปฏิบัติมากขึ้นเพราะเราจะไม่สามารถไปทํากิจกรรมทางทางการมากกว้าได้ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้กินข้าวหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้ล่วงระบนอนกับแฟนก็ไม่ได้ถ้าทําบุญเพราะอยากได้บุญอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสไหครับให้เป็นมลพิณเป็นเป็นเครื่องดับทุบเป็นเครื่องฆ่ากิเล ไปบาปแต่ไม่ได้สวดน้ํายังได้บุญอยู่ไหครับไดแ้แต่ว่าไม่ไม่ได้ประสิทิบุญให้กับผู้ที่รอรับอยู่ใ้ผู้ที่รอรับอยู่ก็รรยัง ไ, ไม่ได้บิญตอนนี้ตอนนี้ฝนแรกตกแ ล, แลเสียงมันมดังบางเป็นมาสังเกตได้ยินไหได้ยินเสียงฝน<บ>นนะะครับเสียงเราก็ยังได้ยินอยู่เหมือนเดิมนะใช่ครับยังได้ยินมยู่ทันงหมด อาการตรอมใจตายถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายชนิดหนึ่งไหครับไม่ใช่ครัเศ้าใจไม่มีกระติกกระใจที่จะกินข้าวไม่อยากจะหับนั่นเนี่ยไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายต้องต้องเอาอะไรมาแขวนคออนี้แล้วกินยาพิษเข้าไปไเป็นการฆ่าตัวตายอยากให้โรคที่เป็นอยู่หายครับ สวดมนต์แผ่เมตตาช่วยได้ไหมครับแนะนําบทสวดไม่ได้หรอกถ้าได้ก็ไม่ต้องไปดูโรงพยาบาลไม่ต้องมีหมอการทําบุญครบร้อยวันจําเป็นต้องทํำไหมครับแล้วแต่เราจะทําครบร้อยวันก็ได้ห้าวันก็ได้สิบวันก็ได้ทําทุกวันก็ได้เราทําเพื่อให้คนตายไปถ้าเรารักคนตายมากเราอยากจะให้เขาได้บุญเยอะๆเราก็ทําไปเรื่อยๆ การผูกใจอยู่กับการฟังทำพร้อมกับทำความเข้าใจแบบนี้เป็นการเจริญสตินะครับก็เป็นการเจริญสติและปัญญาด้วยการเปิด YouTube ฟังกับการนั่งเงียบๆตอนที่เรานั่งสมาธิมีความแตกต่างในการปฏิบัตินะครับถ้าทํทาธรรมะเราก็จะได้ปัญญาถ้าเรานั่นสมาธิเงียบๆเราก็จะได้สมาธิเพียงอย่างเดียว พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าตายแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมีสี่ห้าครบคนมีแนวโน้มถือสี่ห้าลดลงแต่ทําไมประชากรถึงเพิ่มขึ้นทุกปีครับมันขึ้นเพรามีการมีการร่วมเพศกันเยอะมันก็ก็มีการเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีการร่วมเพศกันมันก็ไม่มีการเกิดอ๋อเหมือนกับเขาถามเหมือนกับว่า คนมีแนวโน้ม อ, อ๋อครับผมไม่เกี่ยวกันท <c oughs> ี่บ้านแฟนในต่างจังหวัดเวลาพระสวดมนต์ในวันพระตอนเช้าพระท่านจะให้สวดตามประคับไปด้วย <c oughs> เป็นอุบายให้ญาติโยมผัดสวดมนต์ไหมครับแล้วจะสมควรไหมครับก็เป็นเรื่องวิธีของวัดชาของพระตอนที่พขาจะทำ เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เรารู้จากการปฏิบัติภาวนานั่งสมาธินั้นเกิดขึ้นเป็นปัญญาจริงหรือว่าเป็นวิฉาครับถ้าเป็นปัญญาจริงมันต้องดับความทุกข์ใจได้เวลาเราไม่สบายใจแล้วเรามาใช้ปัญญาพิจารณาแล้วดับความทุกข์ใจให้หายไปได้ก็เป็นปัญญาจริงนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นโตขึ้นเป็นเพราะอะไรครับ เราไปอุปทานเพราะว่าไม่ไสมนใจไม่ห้ามปลุกแตกของจิตหลอกเราแสดงว่าเราไม่ได้สนใจอยู่กับการพวนานเราไป ม, มุ่งสนใจเกี่ยวกับความรู้สึกทางร่างากายมันจะมุ่งใจกลับมาอยู่กับการพอาน า, นานต่อไปตอนนอนควรสวดมนต์บทไหนครับได้ทุกบท น, นะขอให้เอาบทที่เราจำได้ไม่ต้องไปนึกแสง การเล่นหุ้นเป็นสัมมาอาชีวะไหมครับก็เป็นการซื้อขายชิงค่ายอย่างหนึ่งไม่ผิดกฎหมายไม่ผดศีลธรรมอยางไรคาดรู้ตัวรู้ตัวปัญญาตัวพิจารณาแยกแยะตัวเดียวกันไหมครับแล้วตัวที่หยาบและนะครับคนละอันหรือดวงเดียวกันครับ ก็ท่านรู้เนี่ยเป็นผู้ที่แยกแยะวิธีชั้นกัญญาตัวเดียวกันทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกันถ้าพระพรรษาน้อยนั่งหน้าพระพรรษาเยอะจะได้ไหมครับมันผิดวินัยไหมครับก็ <c oughs> แล้วแต่ว่าเขาจะจัดให้นั่งแบบไหนมันก็อยู่ที่การจัดบางทีการจัดให้พระผู้น้อยนั่งข้างหน้านก็ พระผู้ใหญ่ด้่งข้างหลังเพราะว่ามันมันหน้าแตกของการจะรับเลาอย่งไรพระผู้น้อยต้องต้องไม่ไม่ไม่รับหน้าพระผู้ใหญ่ทําอะไรก็ต้องพระผู้ใหญ่ต้องต้องนําหน้าก่อนแต่บางท่านมันข่าวพระผู้น้อยอาจจะเดินหน้าไปก่อนก็นได้อย่างที่วัดบาม่นตาสมาที่เราอยู่หลวงตาจะให้พระ อ, ออกไปก่อนแล้วท่านเดินตามหลังมันจะได้ดูเฝ้าดูพระไปในตัวไงหรือว่าคุยกังหรือเปล่าไม่ชุดเดียวกัน เหมนตอนวัวอ่ะตอนวัวตอนขวายแล้วลงตาถือไม้ไม่เข้ามาจ้าเลยไอ้ท่านอย่าใช้วาจากันี่ก็พอแล้ใช้สายตาก็พอล้ควรบริกรรมอะไรดีครับเวลาที่จะนั่งสมาธิครับพระพุทธรเนี่ยเป็นคำเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คนนิยมมากที่สุดแต่ใช้คํำอื่นก็ได้ทําพุโทโธทำโมก็ได้สังโฆก็ได้แล้วแต่เราชอบ คำไหนแล้วก็ใช้คำนั้นได้หลังจากนั่งสมาธิมีการแผ่เมตตาให้กับพ่อหรือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วและสัตว์เราเคยฆ่าทั้งเจตนาและไม่เจตนาเขาเ่านั้นได้บุญไหมครับคือนั่งสมาธิถ้าเรายังไม่ได้ผลมันก็ยังไม่มีบุญนิยมทิศถ้ามีผลจากการนั่งสมาธิแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนั้นไปได้ นั่งสมาธิกําหนดพุทโธไว้ที่ลมหายใจเข้าออกสักพักลมหายใจเบาต่อไปต้องไปจับที่ตรงไหนครับจับที่เดิมโอ้วันนี้พระอาจารย์ตอบได้ครบทุกคำถามเลยครับหมดแล้วครับพระอาจารย์โอ้คําถามหมดครับอาจารย์เวลาอยเหลืออีกหกนาีมครับมเพิ่ม ม, มีคําถามเพิ่ ม, ค, มครับพระอาจารย์ครับ พุทโธคือคําที่พระพุทธเจ้าท่านใช้บริกรรมด้วยหรือไม่ครับพระบัญธเจ้าท่านสอนให้ใช้อนาปานสตินะครับเลยไม่ทราบว่าฉันใช้หรไม่ท่านไม่ได้ล่าให้ฟังในสติประธานสีท่านสอนให้ใช้อนาปานสติครับพุทโธนี่เหมือนเป็นสายของพระอาจารย์หลวงปู่มัม่นสายส า, ายปลาสายปลาและนั่นก็เป็นหนึ่งในในสี่สิบกรรมฐานพุทธานสติ ยังไม่มีคําถามเพิ่มยังเหลือเวลาอีกประมาณหกนาทีนะครับอาจารย์ตอนนี้ฝนหยุดแล้วหรอครับอหยุดนะเสียงเบาลงไปแล้วครับมีคําถามบอกว่ากรรมจากชาติที่แล้วส่งผลชาตินี้จริงไหมครับก็มีผลถ้าเราทําทำร้ายผู้อื่นเราเมืมเชาตินี้จะไปเจอคนที่เราทำร้ายเขาแล้วอาจจะกลับมาทําร้ายเราได้ ก็ถามว่านั่งสมาธิแล้วเปิดเสียงผ้าจานบรรยายไปด้วยเลยได้ไหมครับก็เป็นวิธีฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่สามารถดูลมได้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมในอารมณ์แทนไปก่อนก็ได้แต่มันก็จะไม่สงบเท่ากับการดูลมหายใจรละบริกรรมพุทโธแต่เบื้องต้นเราอาจจะใช้วิธีนี้ไปก่อนเพราะให้เรามีสติมากขึ้นพอเราฟังเทศฟังธรรมจบแล้วเราก็ลองดูลมหายใจต่อไปก็ได้ ทุกอารมณ์รักโลภโกรธหลงโมโหแม้แต่สงสารเมตตาก็ไม่รู้สึกสัมผัสได้ตอนนี้ฝึกดูลมจนมันไม่รู้สึกถึงครับพา่ซามหมายว่าอย่างไรไม่มีแล้วแหละไม่มีคำรักโกรธหลงแล้วแหละก็ดีถ้าไม่มีก็ดี ถ้าสวดมนต์ภาษาบาลีแต่ไม่เข้าใจความหมายควรสวดแบบแปลไปด้วยไหมครับถ้าเราต้องการเข้าใจความหมายก็ต้องสวดไปด้วยถ้าเราต้องการสติอย่างเดียวไม่ต้องการปัญญาก็ไม่ต้องสวดบทแปลก็ได้หรือ <Okay. S 2> ถ้ า, าอยากจะได้ปัญญาเรามาร้ออ่านอ่านตัวแปลทีหลังก็ได้ไม่ต้องทําในขณะที่เรานั่งสมาธิ เวลาที่มีคนพูดให้เรารู้สึกไม่พอใจแล้วใจเราไปนึกถึงคนที่เขารักเราทันทีเราควรวางเฉยหรือควรปรับใจอย่างไรดีครับก็ให้เราไม่มให้เรารับความไม่พอใจได้ไได้วยวิธีใดก็ตามความไม่พอใจนี้มันเป็นความโกรธซึ่งเราอาจะใช้ความเมตตาคือให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาเพ่เดี๋่วจะพูดจะทําทอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเราต้องไม่โกรธใคร น้ำปานะครับถ้าทาน้ำมาตูมได้ไหมครับ <_ d ance> ไม่ทราบเหมือนกันขนาดเใหญ่กว่าคำปั้นหรือเปล่าหร <_ d ance> ือนเฉลี่ยเป็นขนาดเท่ากับคำปั้นแล้วได้กว่าก็ได้อยู่เพตุมนี่คราไม่ค่อยนึกยางผละมาเท่าไหร่ว่าตูมนี้ยังไม่ออกเป็น <_ d ance> พราอพาจารย์ไม่ฉันน้ำปานะหน้ำ <_ d ance> <_ d ance> เปลาา <_ d ance> ่าเพิ่มน้อาคุ่น้ําตาลอะไรไม่ด้วย แล้วสมัยก่อนฉันไหมครับอาจารย์ชันฉันโกโก้ฉันกาแฟอะไรพวกนี้ฉันน้ำตาะนี่พอมีอายุมากขึ้นสังเกตเดอว่าต้องลดปริมาณน้ำตาลลงเพราะมันจะมีอาการฟ้องก็คือมันจะเป็นแผลในป่ากเพรามันเป็นแผลในปากนี่มันแสดงว่าน้ำตาลเราเยอะกินไปแล้วพอลดลงมันก็มันก็หายถ้าถ้าถ้ามันนพอยุ่มากขึ้นมากขึ้นระดับน้ำตาลที่เราเคย ใครรับประทานก็ต้องนุนน้อยลงไปเพราะมันน่าเกิดอาการมีแพนได้ปากขึ้นอยู่เ้ืเ่อยๆก็เลยต้องลดลงมาเรื่อยๆกระ้ัอย่างนี้ถ้จาจะไม่ได้กินของหวานเลยออนอกจากกินของหวานนิดหน่อยเวลาที่ฉันอาหารนะั้นเวลาฉันน้ำตาลน้ำก็ไม่ฉันน้ำผลไม้อะไรก็ไม่ฉันฉันจะน้ำเปล่า น, นั้นที่อาจจะหนึ่งเครื่ อ, องหรือสักกระป๋องหนึ่งก็ได้นานๆครั้งสักสองสามอาทิตย์นี้ ได้อยู่ต้องคอยดบปริมาณของน้ำตาที่ในร่างกายถ้ามันเริ่มมีอาการเจ็บเจ็บเจ็บในบริเวณปากก็รู้วว่าน้ำตาหน้าไปแล้วต้อ ง, รอองครับคุณหนุ่มน้อยครับบอกหลวงตาครับทำไมน้องสาวหัวดีพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งแต่น้องสาวห้าคนหัวพูดไม่เก่งเพราะันมีมันมีไม่เท่ากันไง อดีตชาติฝึกมาไม่เท่ากันคนที่ฝึกปัญญามามากก็จะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกปัญญาบาลมีไม่เท่ากันได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ทำให้ใจสงบมากต๋อนนี้พูเฉยๆครับอันนี้ครับเขาบอกว่าการได้พบพระแท้อย่างนี้ถือว่าเรามีบุญไหมครับก็เราจะได้รับประโยชน์นะ ถ้าเราไปเจอพระพมเราก็จะได้ท่านนี้ได้ไประโยชน์เราจะได้โทษกลับมาเพราะเขาจะหลอกเร า, เร า, เราสอนเราไปในทางที่ผิดได้ถ้าเราเจอพระแฮ้เขาจะสอนให้เราไปหลุดพ้นอยู่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการไปทำงานสายนี่ถือว่าผิดศีลไหมครับกลลบ็ผิดกฎระเบะียบอะผิดกฎระเบียบก็ถือว่า ขโมยเวลาเขาเอาเวลาทํางานทันทีเราจะไปทําให้เขาเราขโมยเวลานี้ไปทําอย่างอื่นไปทํางานไม่ทันเวลาก็เทว่าขโมยขโมยเวลาขโมยเวลาแล้วขโมยเงินเดือนนะเราไม่ได้ทําบบนั้นทงานเต็มที่แต่ละรอบเงเดือนเต็มที่ก็ผิดนะหากเราพิจารณาอาการสาวทีสองจนหมดแล้วเราไม่พบตัวเราเลยและคนปฏิบัติอย่างไรต่อครับ ก็ต้องไม่ทุกขกับร่างกายเลยสิร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่ทุกขเพราะมันไม่ใช่เราคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิดูลมหายใจหน้าท้องยุบพองได้ไหมครับได้วิธีอยู่ที่ปลายจ ม, มูกก็ได้อยู่ที่หน้าท้องก็ได้ หมดเวลาแล้วครับอาจารย์สามทุ่มครึ่งพอดีครับผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทมอยู่ในเฟซหกร้อยสี่สิบหกในยูหกร้อยเจ็ดสิบสี่ในคับแปดใน t ิ k ตอกสี่ร้อยเก้าสิบสองครับรวมทั้งหมดพันหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบคนครับพระอาจารย์ตอบคำถามไปหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดคำถามครับวันนี้ครับาจารเยอะนะเยอะ ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนามาถามตอบคําถามก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้จิตมีพานเจริญก้าวหน้ามุ่งถึงต่อไปการเจรครับการสรนทนามาทำสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจนงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสงบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด สาธุกขอลาคุณหมอแนละท่านผู้ชมอยเพียงเั่นี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้อมอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ